เสียงานหนังสือมองหนังสือพุทธธรรมถามหาอนาคตสมเด็จพระพุทธโษาจารย์ปออปยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่สองพุทธศักราช2555อ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดยคุณพ่อบุญทรงและคุณแม่เองไทยเจริญสิคคำถามเกี่ยวกับหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยาย คำถามจากหอจนหมายเหตุพุทธธาตอินท ป, ปัญโย 1. ท่านเจ้าคุณอาจารย์คาดหวังให้หนังสือพุทธธรรมยังประโยชน์ต่อสาธารณาชนได้อย่างไรมากที่สุด 2. หนังสือพุทธธรรมที่เผยแพร่มีหลายรุ่นหลายขนาดผู้ที่มีนังสือรุ่นแรกๆหรือเล่มเล็กจะพลาดหลักทำอะไรไปบ้างหรือไม่และควรต้องขวนขวายหาพุทธธรรมเล่มใหญ่มาศึกษาหรือไม่ 3. ประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถอ่านหนังสือพุทธธรรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบจะใช้ประโยชนจากการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 4. หากมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือพุทธธรรมโดยไม่ชอบอ่านหนังสือยาวๆท่านมีคำแนะนำให้คนเหล่านั้นศึกษาพระธรรมอย่างไร 5. การศึกษาหนังสือพุทธธรรม ผู้อ่านควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ได้ครบทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวธ 6. มีหนังสือเล่มใดที่เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแรงดนใจในการพัฒนาหนังสือพุทธธรรมบ้าง 7. ในภายภาคหน้าที่ยุค ข, ของสังคมเปลี่ยนไปหนังสือพุทธธรรมควรได้ปรับปรุงรูปแบบและการใช้ภาษาเข้ากับยุคสมัยจะดีหรือไม่8 ปัจจุบันมีรูปแบบการ น, นำเสนอหลายรูปแบบเช่นทำเป็นเล่มเล็กเล่มย่ออีบุ๊กหนังสือเสียงทำภาพหรือการ์ตูนประกอบท่านจะมีความประสงค์ให้นำต้นฉบับไปพัฒนานำเสนอในรูปแบบอื่นๆอย่างไรบ้าง 9. และท่านมีข้อจำกัดหรือไม่ประสงค์ในการนำไปเผยแพร่ในรูปแบบใดบ้าง 10. มีส่วนใดในหนังสือพุทธธรรมที่ท่านตั้งใจไว้ว่า น่าจะมีการขยายต่อได้อีกอาจมีคณะใดคณะหนึ่งรับไปทำงานขยายต่อท่านจะอนุโมทนาหรือไม่มองหนังสือพุทธธรรมถามหาอนาคตเขียนเล่าแทนคำตอบแก่หอจุดหมายเหตุพุทธทาสอินท ป, ปัญโยเมษายนพุทธศักราชส5 5 5 ถ้าอ่านหมดที่เล่าไว้คงตอบคำถามได้เองทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินท ป, ปัญโยส่งบทสัมภาษณ์วิเศษมาเป็นคำถามสิบข้อเกี่ยวกับหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายพระพุทธวิโรเป็นผู้รับและนำมาให้ดูพออ่านแล้วก็เห็นว่าในสภาพชีวิตขณะ น, นี้ตอบไม่ไหวทางที่จะทาได้คือตอบเพียงสองถึงสามข้อที่ง่ายหน่อยที่จริง ถึงแม้ตอบเพียงหนึ่ ง, งสองข้อแต่อาจพูดกว้างออกไปให้คลุมที่ถามทั้งหมดก็พอเป็นไปได้ในคำถามสิบข้อนั้นหลายข้อเกี่ยวกับหรือโยงไปถึงอนาคตขึ้นข้อแรกก็ถามว่าคาดหวังให้หนังสือพุทธธรรมยังประโยชน์ต่อสาธา ร, รณชนได้อย่างไรมากที่สุดจบลงด้วยข้อสุดท้ายว่ามีส่วนใดในหนังสือพุทธธรรมที่ท่านตั้งใจไว้ว่าน่ามีการขยายต่อได้อีก หากมีคณะใดคณะหนึ่งรับไปทางานขยายต่อท่านจะอนุโมทนาหรือไม่พอเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าวิธีหนึ่งที่ง่ายคือเล่าเรื่องที่เป็นมาให้ฟังโดยไม่ต้องเจาะจงว่าจะตอบคำถามข้อไหนเมื่อผู้ถามรู้เข้าใจเรื่องตามที่เล่าให้ฟังแล้วก็ตอบคำถามทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดได้เองตลอดจนมองเห็นว่าบางคำถามไม่อยู่ในขอบเขตซึ่งอาตมานึกคิดที่จะตอบ